ผลบุญผลบาปเนี่ยนะคำว่ า, าโลกในที่นี้นะก็คือเป็นที่ดูผลบุญและผลบาปเป็นที่ดูบุญดูบาปออดูว่าเขาทำบุญยังไงทำบาปยังไงแล้วผลบุญผลบาปมันให้ผลอย่างไรใช่ไหมบาปไม่ได้ให้ผลที่ใบไม้ใบหญ้าใช่ไหมมันให้ผลที่นี่แหล ะ, ะการทำบุญทำบาปก็เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ทำบุญทำบาปลอกก็พวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็คือ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 อนะินทรห้าเนี่ยนะว่าใครมีศรัทธาเนี่ยมากหรือว่ามีศรัทธาน้อยพระพุทธเจ้านี่ทรงรู้ทั้งหมดนะเช่นทรงรู้อาสยะของสัตว์ทั้งหลายาคําว่าทรงรู้อาสยะของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็คือพระองค์รู้จากทิฏฐิคือความเห็นของสัตว์นะว่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นพระองค์นี่ยังรู้ถึง อาสยะอาสยะของสัตว์เนี่ยอัธยาศัยอัธยาสัยเน้นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิถ้าอาสยะดีก็คือเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิยะถาภูตยานทัศนะนั้นก็เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินะเป็นชื่อของปัญญาถ้าทิฏฐิข้างหน้านั้นเป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิพระองค์นี้ทรงรู้เลยนะว่าเออสัตว์พวกนี้อ่ะใครเป็นสัมมาทิฏฐิใครเป็น มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี้ก็ยังแบ่งออกประเภทว่าคนที่คิดว่าให้ทานไม่มีผลรักษาศีลไม่มีผลเนี่ยนะหรือว่าคนที่เห็นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกขาดศูนย์ชีพอนันต์สรีระก่อนนั้นอะพวกลัทธิอัตตานั่นแหละอันพระองค์นรู้นะใครมีทิฏฐิเป็นอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะ ที่เป็นทิฏฐิหกเนี่ยพระองค์เนี่ยยังถึงทั้งหมดเลยนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังลงอยู่ในทิฏฐิหกอย่างใดอย่างหนึ่ง mm. หรือว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัจจานุโล ม, มิกญาณมีความรู้ที่อนุโลมอนุวัตสอดคล้องต่ออริยสัจเรียกว่าสัจจานุโล ม, มิกญาณ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิพระองค์ก็ทรงอย่างรู้พระองค์ก็ทรงอย่างเห็นนี่เขาเรียกว่ากามราคะนุสัยเกิดตรงนั้นแหละทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะคนเห็นผิดพระองค์ก็มองรู้คนที่มีความเห็นถูกพระองค์ก็มองรู้แล้วพระองค์ก็อย่างรู้อัธยาศัยรู้อนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย คำว่าอนุสัยในที่นี้ก็คือกิเลสที่นอนเนื่องโดยอัระว่ายังละไม่ได้เช่นราคกากมมาราคานุสัยของศาต์ทั้งหลายนอนเนื่องอยู่ในรูปอันเป็นที่รักที่พอใจสมมติถ้าโลภะจะเกิดเกิดที่ไหนก็บอกว่าสิ่งไหนหน้าพอใจโลภะเกิดตรงนั้นแหละที่น่าพอใจอยู่ที่ไหนโลภะจะเกิดที่นั่นอันนี้เขาเรียกว่ากามมาราคานุใสเกิดตรงนั้นแหละ สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจปฏิฆาปฏิคานุใสจะเกิดตรงนั้นแหละใช่ไหมอยากให้โทสะเกิดนี่ทำไงรู้ไหมทำอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่โทสะก็เกิดเมื่อ น, นั้นแหละอยากให้โลภะเกิดนี่นะหาอารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้ามีอารมณ์ที่น่าปรารถนาเมื่อไหร่โลภะก็เกิดที่นั่นแหละแล้วก็อวิชานุใส เมื่อรากคาโน้ตสัยปฏิคานุสัยเกิดอวิชานุสัยก็เกิดขึ้นทันทีถ้าหากว่าลำเอียงหรือว่าหลงรักในอารมณ์นั้นแสดงว่าไม่อย่างถึงสัจจะความจริงแท้ของอารมณ์นั้นถ้าโกรธเคืองในอารมณ์ไหนก็แสดงว่าไม่อย่างถึงความจริงแท้ของอารมณ์นั้นเรียกว่าไม่อย่างอารมณ์นั้นโดยความเป็นสัจจะหรือมองอารมณ์นั้นโดยความเป็นสัจจะไม่ออก ถ้าหาว่ามองเห็นแค่เป็นเออนี่จริงแท้พอหรื อ, อยังสัจจานี้บอกเออนี่สัจจาะนะรู้แค่นี้พอหรื อ, อยังอ่นนานะถ้ารู้สัจจะจริงๆก็สามารถแยกแยะสัจจะออกใช่ไหมแยกแยะสัจจะว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามีนิปฏิปทาเอาถ้าแยกได้ขนาดนี้พอหรื อ, อยังยังทุกเนี่ยถ้ารู้จักทุกรู้ด้วยอะไรนะทวน ถ้ารู้จักทุกก็ต้องรู้ด้วยปริญญาสาถ้ารู้จักสมุทัยก็ต้องรู้ด้วยปหาณะ5ถ้ารู้จักนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งถ้ารู้จกักมรรคก็ต้องเจริญจึงจะรู้จักจริงๆเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสัจจะเรามองเห็นสัจจะในอารมณ์นั้นไหมแล้วทํากิจของสัจจะในอารมณ์นั้นไหมถ้าไม่ทํานี่ก็แสดงว่ารู้ไม่จริงนะไหแต่เกือบแล้วนะมีศรัทธาในของจริงแล้วก็ ทำไงอ่ะก็จะเจริญพอกพูนต่อไปก็แล้วกันนะไม่สามารถจเจริญได้วันเดียวรอกเพราะฉะนั้นอวิชานุใสประคายเครื่องในตาทําให้ตาแสบทําให้ตาพร่ามองไม่เห็นอริยสัจกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ทําให้จิตนั้นพร่าใช่ไหมมองไม่เห็นอริยสัจคิดไปคิดมามันก็น่าสงสารณตัวเราเนี่ยนะโอ้ยปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นสัจจะในอารมณ์นั้นๆ นะมองไม่เห็นสัจจะไม่ได้ทำกิจของสัจจะในอารมณ์นั้นๆนะก็เหมือนกับมีตาแล้วคนมามัดตาไว้นะมีตาแล้วก็มีทุรีลงในตาก็เลยมองเห็นอะไรไม่ชัดมองอะไรก็มองไม่ออกมองพร่ามองมัวเลือเกิดอวิชชาตันหาโทสะมันก็เหมือนกับทุรีที่มันเกิดในใจนะมันระคายเคืองในตาทาให้ตาแสบทาให้ตาพร่า มองไม่เห็นอริยสัจกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ทําให้จิตนัน้นร่าใช่ไหมมองไม่เห็นอริยสัจคิดไปคิดมามันก็น่าสงสารณตัวเราเนี่ยเนาะโอ้ยกิเลสมันปั่นหัวซะจนแต่ก็อย่างว่านะกิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อะอยู่ต่อไปดีกว่าก็ไม่เห็นทุกอะไรนี่ใช่ไหมกิเลสมันเกิดขึ้นเอิ่มสนุกดีเหมือนกันพอกุศลจิตเกิดขึ้นเออถูกกิเลสมันปั่นหัวอีกแล้วะนะ ก็อยู่อย่างงี้นะคิดไปคิดมามก็น่าสงสารมีหน้าพระพุทธเจ้าสงสารเราเหลือเกินนะ่สอนไว้ตั้งเยอะแยะแต่เราก็ไม่ค่อยสงสารเราอ่ะนะโอ้ถ้าสงสารตัวเองจริงๆอ่ะใครจะเป็นอกุศลมีใครทําอกุศลหรอเอารู้ว่าสงสารตัวเองเนี่ยคนที่สงสารตัวเองมองเห็นว่าไฟร้อนเอาไฟมาเผา ห, หัวมีไหมมีม น, นั้นของเราเนี่ยโหไม่สงสารจริงๆอ่ะที่ปล่อยให้ไฟคือราคาเป็นต้นเผาศีรษะจนไหมเต้นหมดเลย นะให้ไฟคือโทสะเนี่เผาถ้าจนไฟคือโมหะนี่กลุ่มรุมมากก็ถ้าสงสารจริงๆก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่มันก็สงสารเป็นพักๆอ่ะนะเวลาในที่สงสารก็เอะ อ, อกุศลอย่าได้เกิดเลยนี่นนะสงสารหมดเมื่อไหรก่ก็อาอกุศลเกิดอีกแล้วอกุศลเหล่านั้นมันเกิดเมื่อมันให้ผลใครรับตกนรกใครตกอะใช่ไหมไม่ได้เอาหุ่นไรกาณนะั้นไปตกนรกแทนะไม่ใช่หรอกแล้ก็ชีวิตของเราที่สืบเนื่องไปนั้นแนะ ถามว่าไอเหตุอันนั้นคืออะไรก็อกุศลนั่นแหละคิดไปคิดมา ก, ก็หน้าสงสารเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่สงสารนะไปรอ้องไห้ไอ้นั่นก็หน้าสงสารหนักกว่าเราไปทำซึมซึมหรือเปล่าไม่ใช่เนอะทำไงอะ่ะก็เรีบเร่งในการเจริญกุศลไปกุศลอะไรพอที่จะเจริญได้ก็ทำเจริญกุศลนั้นนั้นไปเช่นการฟังธรรมก็นับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง มงคล38นี้ก็น่าทรงจำนะนะไม่คบคนทานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเออแต่บางทีมันก็แยกได้นะเ อ, อ๊ะบางคนไม่มีมงคลอยู่ในตัวเลยกราบว่า้ไม่ล ง, งไงมันก็ต้องหาคนที่มีมงคลใช่ไหมมงคลก็นับศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะมงคลสามเป็นเหตุให้เราไม่พ่ายแพ้ไม่ปราชัยมีมงคลอยู่กับจิตกับใจแล้วก็หาให้ได้ ถ้าหากว่าเราฉลาดนะในทุกแห่งเนี่ยเราสามารถหามงคลได้หนึ่งอย่างก่อนอย่างน้อยที่สุดอารติววรตีปาปาไม่คิดให้มันเป็นบาปว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งแล้วนะหรือว่าฟังธรรมสนทนาธรรมก็เป็นมงคลขันติเกิดขึ้นก็เป็นมงคลโอ้แต่เรียนรู้มงคลสาสิบแปดในชีวิตไม่พ่ายแพ้ปลาช่ยง่ายๆนะแขวนมงคลเอาไว้ในใจสบายเลยคานนี้สัตว์ทั้งหลายนั้น พระองค์อย่างรู้พระองค์ทรงรู้จริตของศัตว์ด้วยนะจริตว่าคนนี้เป็นยังไงอ่นนะพระองค์อย่างรู้ถึงจริตเหล่านั้นหมดเลยหรือว่านั่งเหมือนกันเนี่ยนะกายกรรมเหมือนกันนั่งเนี่ยมีใครนั่งเหมือนกันทุกคนไหมเนี่ยนะให้มันดูกนะันนบางคนเนี่ยเห็นแล้วพูดเลยแต่ต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะบางคนเห็นปุ๊บมมสาทันทีเลยบางคนเห็นพูดปุ๊บด่าคาหยาบบางคนเห็นปุ๊บพูดเพอเจอ บางคนเห็นพรมน้ำมันก็พูดส่อเสียดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวาจีสังขารบางคนเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยพูดดีๆไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้าไม่พูดส่อเสียดอันนี้เขาเรียกว่าจริตเนี่ยนะมันแล้วแต่จริตนะเห็นสิ่งเดียวกันพูดไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเนี่ยนะลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้คนวิจารณ์เนี่ยนะชวนมาร้อยคนวิจารณ์ร้อยร้อยเรื่องเลยนะเพราะจริตแตกต่างกันเพราะองค์ยังรู้ถึงจริตเหล่านั้นหมดเลยหรือว่า นั่งเหมือนกันเนี่ยนะกายกรรมเหมือนกันนั่งเนี่ยมีใครนั่งเหมือนกันทุกคนไหมเนี่ยะให้มันดูคล้ายๆกันหน่อยัยากนะขนาดนั่งพับเพียบวางมือก็แตกต่างกันแล้พับเพียบเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในชั้นเนื้อหารายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าจริตมันแตกต่างกันนียจริตที่แตกต่างกันอันนี้จริตข้างนอกนะแล้วใจอ่ะฟังหนึ่งคำเนี่ยคิดกันคนละเรื่องเลยเอาเอางี้นะถ้าพูดถึงคําว่าแม่ ทุกคนผู้คิดไม่เหมือนกันทุกคนะพราะมีแม่คนละคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดถึงแม่เนี่ยคนละเรื่องเลยอันนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เจริญแตกต่างกันเพื่อนก็เหมือนกันเพราะเรามีเพื่อนไม่ได้เพื่อนคนเดียวกันนี่มันจะต้องคิดคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าเจริญที่แตกต่างกันความแตกต่างกันของสัตว์ทั้งหลายพรงค์ก็รู้น ะ, ะรู้ว่าเจริญของเขานี่เป็นอย่างไรกายกรรมของเขาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เมื่อเกี่ยวข้องในหนึ่งอารมณ์วจีกรรมของเขาเป็นกุศลหรือเป็นกุศลในอารมณ์นั้นๆมโนกรรมของเขาเป็นอย่างไรนั้นพระองค์สามารถอย่างรู้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนินชาพิสังขาร ข, ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่ารู้จักจริตเนี่ยนะคนที่เป็นอาปุญญาพิสังขารเนี่ยมากไปด้วยราคะหรือมากไปด้วยโทสะหรือว่ามากไปด้วยโมหะ ออคนนี้มีกุศลกุศลของคนนี้เป็นไปมากกับศรัทธาหรือว่าเป็นไปมากกับศีลหรือว่าเป็นไปมากกับสุกกบสตะหรือจาค่าหรือบัญญาอย่างเงี้ยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันรากอย่างออนะนั่งอยู่นี่มีใครอายุเท่ากันมีไหมไม่มีนะข่าเกิดตีเดียวกันยังเดือนแตกต่างกันเดือนเดียวกันยังคนละวันเลยนะวันเดียวกันยังคนละชั่วโมงเลยนะเออมีใครเหมือนกันทักอย่างเย มีความหลากหลายในนั้นตั้งมากมายแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อธิมุดของศาตร์ทั้งหลายอัธยาศัยสามเป็นต้นของศาตร์ทั้งหลายเขาบอกว่าคำว่าอัธยาศัยนี่ยนะหรืออธิมุตเนี่นะก็คือคนโบช่างก็เข้าไปหาช่างม้าก็เข้าไปหาม้ายุงก็เข้าไปหายุงมดก็เข้าไปหามด มีของวัดเรามีอยู่ตัวหนึ่งไอ้แดงไม่เข้าไปหาเพื่อนเนะ่ยอยู่คนเดียวสายประณีตก็มีแปลว่าคนดีก็มีคนชั่วก็มีเนี่ยนะเรียกว่ารู้อธิมุตเนี่ยนะหรือว่าคนที่มีสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามก็จะคบกับคนกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยสามก็เรียกว่าคอเล่าก็ไปหาคอเล่าด้วยกันเหมือนคอไพ่ก็ไปหาคอไพ่คอพนันก็ไปหาพานันคอเพลงก็ไปหาเคราเพลงด้วยกัน พะะนันการงานก็งานชนิดเดียวกันก็จะโครจรไปหากันคนดีก็จะโครจรไปหาคนดีคนชั่วก็จะโครจรไปหาคนชั่วเรียกว่าฟูงโคย่อมเข้าไปหาโคช่างก็เข้าไปหาช่างม้าก็เข้าไปหามายุงก็เข้าไปหายุงมดก็เข้าไปหามดมีของวัดเรามีอยู่ตัวนึงไอ้แดงไม่เข้าไปหาเพื่อนนะอยู่คนเดียวอันนี้แสดงว่ามีจริตยังไงไม่รู้เนาะอัธยาศัยยังไงอย่างนี้ แต่ว่าโดยธรรมดาทั่วไปแนละ้วมันจะโครจรไปหากันนะตามธาตุตามจริตตามอัธยาศัยบางอย่างมันคนดีก็จะเข้าหาคนดีคนชั่วก็จะเข้าหาคนชั่วแม้ในอดีตการมสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละวัวมก็อยู่กับวัวควายก็อยู่กับควายช้างก็อยู่กับช้างมา้าก็อยู่กับมา้าคนดีก็อยู่กับคนดีคนชั่วก็จะอยู่กับคนชั่ว คนชอบพูดเพรสเจอร์ก็ไปอยู่ประเภทเดียวกันเหมือนันนะแม้แต่เพรสเจอร์เนี่ยนะคนที่ชอบเรื่องไก่ก็คุยแต่เรื่องไก่คนชอบเรื่องม้าก็คุยแต่เรื่องม้าคุยไม่เหมือนกันสักกลุ่มเลยเพรสเจอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันเพลงเหมือนกันนะเออบางคนชอบเพลงแต่ก็เพลงอีกคนละโลกเลยนะเพลงสตริงเพลงร็อกเพลงต่างประเทศเพลงไทยเพลงฝรั่งไม่เหมือนกันอีกทีนี้เพลงไทยเหมือนกันแต่ก็ยังชอบไอ้คนชอบจังหวะเร็วบางคนก็ชอบจังหวะช้าไง โอ้ยเจริญมันเยอะแยะไปหมดเลยหลากหลายจริงๆนะสัตว์เนี่ยเพลินเดี๋ยน่ะนะมองเห็นอะไรเยอะแยะสนุกดีป่ะเขาบอกว่าเพลิดเพลินในสิ่งใดก็ทุกในสิ่งนั้นแหละเขาบอกว่าผู้ที่ยังเพลิดเพลินในอารมณ์ใดก็ยินดีในทุกในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขายินดีในทุกแล้วเขาจะพ้นจากทุกได้ไหมพ้นไม่ได้หรอกที่จริงไม่มีอารมณ์ไหนน่าเพลิดเพลินหรอก เพราะความว่าเพลิดเพลินนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะนันทิราคะก็คือตันหาตันหาเป็นสมุทัยสัตยินดีในอารมณ์ใดก็เตรียมปฏิสนธิพบ เ, เตรียมปฏิสนธิในพบใหม่ได้แล้วโอยแล้ววันนี้ยินดีเกือบทุกอารมณ์อย่างนี้แล้วจะไม่เกิดใหม่แย่แล้วเนี่ยเพราะว่ายินดีในอารมณ์ใดก็เตรียมเกิดได้แล้วขณะนั้ น, น พงษ์ตรัสว่าเพราะนันทิเกิดทุกเกิดนะบุญนะว่า ง, งั้นถ้า น, นันทิความเพลิดเพลิน เ, เกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะพบชาติได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเตรียมปฏิสนธิใหม่ได้แล้วทําบุญเรียกว่าอะไรนะหาสะเสบียงทางไว้เยอะๆเถอะไม่ผิดหวังแน่ในอนาคตก็เหมือนกันเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะครบกันตามอัธยาศัยอย่างเงี้ยพระองค์รู้จักอธิมุติดีพระองค์รู้จักสัตว์วัตโลกอย่างดีเลยสัตว์ทั้งหลายมี เจริญอย่างไรมีอัธยาสัยอย่างไรเนี่ยนะผมมองออกอย่างทะลุปรโ ป, ปร่งตลอดสายหมดถ้าหากว่าพระองค์มองออกไม่ขนาดนี้นะพระองค์สอนสอนธรรมะไม่ได้สอนพระไตรปิฎกไว้ในโลกไม่ได้ประดิสถานคําสอนไปเห็นไอ้นัครวัดนะคอนวัดหนะูมใหญ่โตจริงๆนะเดินรอบเนี่ยนะเขบอกว่าไอ้ตัวนครวัดเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าที่น้องปริงนะแต่เดินรอบแล้วมันแกะสลักเกือบทุกสิง่ง เสาแต่ละต้นนีงก็แกะสลักลูกกรงก็หินอ่อนก็แกะสลักลวดลายไปหมดบโบสไม่ขึ้นน่ยนะสมัยนั้นอ่าทิ้งคําสอนเอาไว้ให้เออไปศึกษาเอากันแล้วกันตอนนั้นหลวงไก่ไปโปรดไม่ขึ้นมั้งเนาะทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้มีหลายท่านครับพอมาศึกษาทำมาแล้วชักเดือร้อนใจเออพระพุทธเจ้าก็ดับคันปณิพญานไปต่างเยอะแยะเรามัวทําอะไรอยู่นาะคำว่างั้น ก็ทําคล้ายๆกับวันนี้นี่แหละนะไปเที่ยวคอมเมนตไปเห็นอไอ้นัครวัดอนะนักคอนวั ด, นะอวดโอหมันใหญ่โตจริงๆนะเดินรอบเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ตัวนครวัดเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าที่น้องปริงนะแต่เดินรอบแล้วมันแกะสลักเกือบทุกฝาเลยเสาแต่ละต้นไงก็แกะสลักลูกกลงก็หินอ่อนก็แกะสลักลวดลายไปหมดบอกโ่า สัตว์นี่มันอยู่ในสังสารวัตรมัวแต่ทําอย่างนี้นี่เองเลยไม่ได้ดับไม่ได้นิพพานเลยมัวแต่ก่อสร้างเลยอย่างนี้แหละวันวั น, วนดังหใหญ่โตจริงๆก็บอกว่าเจดีที่ประเทศเขเมรเนี่ยพวกเจดีพวกนั้นเที่ยวเจ็ดวันก็ไม่หมดคำว่างันเพรพอๆงั้นขับรถเฉียวเฉียวก็พอแล้วไม่ต้องดูหมดครว่างันมาดูหมดเดี๋ยวเพลิดเพลินงันก็บอกว่าแล้วก็น่าคิดเนี่ยนะโหสร้างจริงๆเลยปราสาทเนี่ยนะ บอกโสังสารวัตรยืดยาวอย่างนี้นี่เองเขามีรูปอยู่รูปหนึ่งเหมือนกันนะรูปไอ้คนแก่สลักแกะสลักคขำๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเอาตะอุ้มเต่ามาด้วยเต่าให้ไปกัดก้นผู้ชายข้างหน้านะเออมันก็ยังวาดรูปขำๆเหมือนกันนะขนาดแก่สลักหินนะนล้นไม้แต่เล็กๆนี่กยังเขียนภาพคขำขันเอาไว้ในนั้นอีกมันแสดงว่าโอ้สัตว์เนี่เข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปยินดีในทุกๆอารมณ์ แล้วคนเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่ก็เยอะแตกตัวไปดูเหมือนมดนี่แหละนะเพรไปเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนี่แหละอ่าเขบอกว่าหนึ่งในเจ็ดของโลกมั้งสิ่งมหัศจรรย์มาไปเห็นแล้วก็โอ๊ยวัดตักทุกมันอยู่ตรงนั้นนี่แหละคนสร้างกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยมันเสียเนื้อเสียเลือดเสียอะไรไปเท่าไหร่นะกว่าจะสร้างสิ่งเหล่านั้นเสร็จสร้างบาปสร้างกรรมไปเท่าไหรนะ่น้อเนี่ยนะกว่าจะได้ขนาดนั้นเป็นอารมณะปัจจัยของจักขุวิญ ญ, ญ, ญาณ ถ้าถอรองเท้าไปเดินดูที่แขงอากาศร้อนๆเนี่ยโหร้อนอย่าบอกใครเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยว่าสัตว์ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยก็มีพองก็มองเห็นนะกิเลสสิบเนี่ยนะกิเลสสิบคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีณอุทธจัจจะอหิริกะอนุตปะกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันใด ของสัตว์เหล่าใดเสพมากทำให้เกิดมากทำให้เป็นมากเพิ่มพูนขึ้นมากสัตว์เหล่านี้ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากนั่นนะแต่ถ้ากิเลสคืออาุศลเหล่านี้เกิดในใจของเขาน้อยเขาเรียกกิเลสดุจธุรีในดวงตาน้อยตาในที่นี้ไม่ได้แกตาปัญญานะคนที่อกุศลจิตเกิดมากๆก็ไม่ดีนี่นะ พระองค์อย่างรู้นะว่าใครกิเลสเกิดมากใครกิเลสเกิดน้อยเกิด เ, เกิดวันละกี่ครั้งอะไรเนี่ยพระองค์เนีแยกแยะจำแน ก, กแจก แ, แจงออกละเอียดละอดทั้งหมดเลยแล้ว้เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าคนมีอินทรีออย์อนะ่อนเนี่ยนะอนัญญตัญญสามีตินทรีเนี่ยนะดันะั้นถ้าหากว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิศรัทธาอินทรีย์าวิริยะสติสมาธิและปัญญา อินทรีย์าอินทรีห้าเหล่านี้สัตว์เหล่าใดมิได้ทําให้มากมิได้เสพมิได้เจริญไม่ได้อบรมไม่เพิ่มพูนสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอินทรีย์อ่อนคือศรัทธานี้ต้องต้องเจริญขึ้นนะใครไม่ทําให้ศรัทธามากขึ้นเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าคนมีอินทรีอ่อนไม่เจริญความเพียรไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิไม่เจริญปัญญาไม่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าคนมีอินทรียอ่อน นะอนัญญตัญสศามีตินีนี่นะพราะนั้นถ้าหากว่าสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไม่อบรมอินทรีห้าเหล่านี้ให้เกิดนะอินทรีย์คือโสดาปฏิมัคขปัญญาเกิดไม่ได้เมื่ออินทรีย์คือโสดาปฏิมัคเกิดไม่ได้อัญยินรียก็เกิดไม่ได้นะถ้าอัญยินทรียเกิดไม่ได้อัญญาตาวินทรีย์ก็เกิดไม่ได้าาเพราะฉะนั้นะอินทรีห้าคือสัทธาวิริยสติ สมาธิและปัญญาไม่เกิดอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระก็เกิดไม่ได้นนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่เกิดในปัญญาเกิดในใจไข่น้อยพระองค์ก็มองออก